ทำเงนตามสบายช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงเทศกาลสงการหรือปีใหม่ไทยประเพณีสงการก็มีทั้งประโยชน์แล้วก็มีโทษเพราะช่วงนี้ก็มีคนตายไป250บกว่าคนแล้วบาดเจ็บไปสอ0พักว่าคนเพราะฝ่า ม, มาทแต่ประโยชน์ของวันสงการก็คือทําให้ได้ขอเข้ามาลาโทษพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือไปบันครอบครัวทําให้คนที่ ไม่เคยเห็นหน้ากันนานๆได้พบปากันพ่อแม่บางคนก็คิดถึงลูกพอลูกออกไปทำงานข้างนอกไปมีครอบครัวอาจจะส่งเงินมาให้อาจจะปีหนึ่งมาสักครั้งหนึ่งพอพ่อแม่เจอลูกก็ดีใจอย่างมีนิทานของจีอยู่เรื่องหนึ่งมีชายหนุ่มอยู่คนหนึ่งเป็นลูกกพาพร้าไปศึกษาต่ อ, อยังต่างแดนคันเรียนจบกลับมาก็าพบว่า แม่ป่วยโดยไม่รู้สาเหตุชายหนุ่มก็ถามคนใช้ว่าเป็นอะไรคนใช้ที่ดูแลแม่ก็บอกว่าแม่อยากกินก็ไม่ค่อยได้นอนก็ไม่ค่อยหลับนานๆานเข้าก็ผอมหน้าตาซีดเซียวหามหมอรักษายังไงก็ไม่หายชายหนุ่มก็บอกกับแม่ว่าลูกจะหาทางรักษาแม่ให้ได้ไม่ว่าจะทำยังไงชายหนุ่มก็เดินทางไปหายา หาหมอคั้นได้ยามาก็าให้คนใช้เนี่ยต้มและให้ดูแลอย่างดีตัวเองก็บกบุญกับการทํางานเพื่อจะหาเงินให้ได้มากจะได้ซื้ออาหารดีๆซื้อยาให้แม่แม่ก็รักษาไม่หายอาการป่วยก็ยังคงเหมือนเดิมหมดเงินไปก็เยอะหาหมอก็หลายรายแล้วรักษาไม่เป็นผลสักทีจนอยู่มาวันหนึ่งชายหนุม่มนอนหลับก็ฝันได้ว่า ได้พบสินแสชลาอยู่ผู้หนึ่งและสินแสผู้นี้จะรักษาอาการป่วยของแม่ได้อาศัยอยู่บนหลังเขาขันชายหนุม่มตื่ขึ้นมาก็เดินทางไปหาสินแสบนหลังเขาแล้วก็เจอจริงๆเหมือนทางฝันใครไปถึงก็เข้าไปเขาไปขอยาให้ช่วยรักษาแม่ด้วยสินแสก็บอกเจ้าเป็นลูกกระตันยูเราจะให้ยาวิเศษแก่เจ้าแต่เจ้าต้องทาตามเงื่อนไขเจ้าต้อง ให้ยาให้ยาต้มยาด้วยตัวเองแล้วก็ให้อาหารแม่ให้ครบทั้งสา ม, มื้อแล้วพื่ให้ยาได้ผลดีขึ้นก็ต้องนวดตัวแม่แล้วก็พาแม่ออกไปเดินตากแดดบ้างทำอย่างนี้ทุกวันแล้วก่อนจะนอนก็ให้พูดคาถากับแม่ชายหนุ่มก็บอกคาถาอะไรอรัสินแสบอกคาถาที่มีสามคำ พูดว่าลูกรักแม่ใช้หดุมก็ทําตามที่สินแสบอกคือดูแลแม่ด้วยตัวเองเมื่อก่อนเคยให้คนใช้ดูตอนนี้ก็ดูแลแม่ต้มยาให้แม่กินดูแลเรื่องอาหารด้วยตัวเองหมดแล้วก็นวดตัวให้แม่พาแม่ไปเดินเล่นตากแดดก่อนนอนก็พูดว่าลูกรักแม่ทุกวันหลังจากนั้นไม่นานอาการป่วยของแม่ก็เริ่มดีขึ้น แม่ก็บอกแม่ดีใจที่ได้อยู่ใกล้ลูกอีกไม่กี่เดือนแม่ก็หายเป็นปกติใช้หนุ่มดีใจมากเข้าไปหาสินแสอีกครั้งนึงเพื่อขอบคุณบอกยาของท่านวิเศษจริงๆสินแสก็บอกว่ายาเนะ่เป็นยาบำรุงธรรมดาเท่านั้นแม่ของเจ้าเนี่ยป่วยใจคือคิดถึงลูกก็ต้องอาศัยรักษาทางใจถึงจะหายรักษาดวยอย่างเดียวไม่พอก็มีอีกหลายลายนะที่ว่า ไม่เข้าใจหัวของแม่เข้าใจหัวของพ่อมีความสุเราหาอาหารให้ท่านก็พอแล้วหาเงินท่านนั่นใช้แต่ไม่รู้ว่าท่านคิดถึงเราอยากอยู่ใกล้ลูกอยากเห็นลูกเป็นคนดีส่วนมากคนไม่เข้าใจพ่อแม่หรอกมีน้อยที่เข้าใจือทําให้ท่านมีความสุขทั้งกายทั้งใจบางกระถางไปท่านเสียใจติดคุกติดตารางก็มีอย่างเมื่อไม่นานเมื่อสิบกว่าวันก่อนเอามาไปภูเก็ตกับพระอาจาไปศาล วันที่สองเมษาได้มีโอกาสไปบรรยายธรรมให้นักโทษที่เรือนจำภูเก็ตฟังที่เรือนจำภูเก็ตมีนักโทษประมาณสามพันคนมีทั้งชายและหญิงเพื่อจังหวะวันนั้นเป็นวันที่นักโทษได้มีโอกาสได้ปล่อยตัวสองร้อยกว่าคนเนื่องในวันเกิดของสมเด็จพระเทพตอนแรกพระจบบราปสานก็ตั้งใจไปบรรยายธรรเรื่อง ทุกแท้แก้ที่ใจก็เลยต้องเปลี่ยนหัวเรื่องฉับพันเปลี่ยนเป็นหัวเรื่องชีวิตใหม่เริ่มต้นได้เสมอเรื่องจำเนี่ยเข้ายากนะไม่ใช่เข้าง่ายๆอาจารย์ภษากับอัตมาเนี่ย ย, ยังออย่าโทรพา์มือถือเข้าไม่ได้เลยถูกยึดไว้ก่อนก่อนจะเข้าเสร็จแล้วถึงมาเบิกเอาคืนได้พอเข้าไปข้างในปุ๊บเขาก็าจัดระเบียบให้นักโทษหญิงนั่งหน้า นักโทษที่ได้รับการปล่อยตัวเนี่ย200กว่าคนให้มาฟังทมแต่ส่วนข้างในอีกเกือบสา0พันคนเนี่ยไม่ได้ฟังแต่ก็อึดทึ้โคมตลอดอ่ะเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวก็ผู้ครูก็เป่านกหวีดให้อาบน้ำส่วนใหญ่จะถอดเสื้อกันสักยาเต็มตัวคือจะมองเห็นเนี่หน้าตาแต่ละคนเทียมๆงั้นอะน่ะเยียมๆโหดมีรังสีอมตมีทั้งชาวต่างชาติ พวกคนดำก็มีคนขาวก็มีส่วนมากโดยค้อหาขายานักโทษก็ฟังอาจารย์ไปศาลใบใยทำซึ่งหัวเรื่องส่วนใหญ่อาจารย์ก็จะพูดเรื่องให้อดทนพอเราออกออกจากคุกไปเนี่ยเราอาจจะได้รับการดูถูกเยียดหยามจากสังคมพอคนคุกออกไปเนี่ยสังคมจะไม่ค่อยต้อนรับเท่าไหร่แล้วท้ายที่สุดเนี่ยมักจะแพ้ใจตัวเองต้องกลับเข้าคุกใหม่ เราคิดว่าไหนๆเราก็เป็นคนดีไม่ได้แล้วเป็นคนชั่วดีกว่าส่วนมากจะคิดจากกา น, นจะหานักโทษนักโทษที่ออกจากคุกเนี่ยประสบความสําเร็จยากเพราะต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งเพื่อจะอดทนต่อคําดูถูกดูแคลงคนอื่นซึ่อจะไปสภาษจะพูดอยู่ที่ตลอดเลยตั้งแต่ต้นจนจบให้กำลังใจนักโทษให้สู้ชีวิตไม่ท้อต่ออุปสรรคที่จะต้องเกิดขึ้นให้กลับหรือกลับตัวเป็นคนดีบรรยากาศของคุกเดือดร้อนมาก เปิดพัดลมก็ยังไม่ช่วยหายร้อนเลยอาจารย์ไปศาลเทศเสร็จหมดแรงเลยเพราะว่าไม่เคยเจออากาศแบบนี้มา ก, ก่อนเทศไปเสียงข้างนอกก็ดังตลอดอะแข่งกับเสียงเทศไม่ได้ง่ายเหมือนที่เราคิดตอนแรกเราคิดว่าจะมีห้องให้เทศสบายสบายทิงไม่ใช่เลยอันบาก็เพิ่งเข้าคุกครั้งแรกเนี่ยจึงรู้เลยว่าคุกเนี่ยคือดารกบนดินี่ ด, ดีนี่เองเพราะแต่ละคนนักโทษหน้าตาศรหมอง หน้าตาหมองคล้ำแบกบความทุกข์เอาไว้หน้าตาไม่มีใครมีความสุขเลยหน้าตาเก็บกดมองไปทางไหนมีแต่ความเครียดหาสุขยากผิดกับญาติโยมที่มาฟังธรรมขณะที่มาพูดอยู่เนี่ยโยมก็แต่ละคนก็หน้าตาไม่เครียดอิสระมีความสุขคุกเนี่ยเป็นสิ่งที่ประตูคุกก็ปิดแต่คนก็จะหาทางเข้าจนได้แต่วัดเนี่ยเปิด คนก็ไม่ค่อยมากันมากันน้อยนอกจากมีบุญเก่าเมื่อกี้ที่เราก็ได้ได้ฟังมงคลสูตรมงคลสูตรเนี่ยถ้าเรารวบรวมโดยยอเนี่ยก็จะเหลือ5อย่างนั่นเองคือการคิดดีพูดดีทําดีคบคนดีสู่สถานที่ดีการครบคนดีเนี่ยถ้าจะเป็นหัวใจเลยข้อแรกนําพาสิ่งดีมาให้อาจจะจนถึงมรรลุธรรมก็ได้คบกัญยาณมิตร คบบันดิตแต่ถ้าครบคนพาลเนี่ยก็จะนำสิ่งที่ไม่ดีมาให้นำไปทางที่ผิดเผื่อตายไปตกอาลกอีกการครบบันดิตเนี่ยจึงสำคัญสามารถทำที่สุดแห่งทุกได้แล้วก็ต้องหมั่นสร้างบุญสร้างกุญศนกระต่ายยูต่อบิดามานดาแล้วก็เกลือกูล ญ, ญาติฟังธรรมแสดงธรรมแล้วการไม่ประมาทในรรมต่างๆเพราะบัติเหตุ หรือสิ่งไม่ดีเนี่ยมาจากการเราขาดสติตังนั้นพอขาดสติก็คือไปดื่มเหล้าคนเราสติก็น้อนอยู่แล้วพอไปดื่มเหล้าเนี่ยก็เลยทำลายสติบางครั้งความคิดสั่งให้ทำอะไรก็ทำบางคนก็ไปทำร้ายตัวเองทำร้ายคนอื่นคิดสั้นก็มีหรือก็ถือบิเหตุขณะที่ขับรถเพราะว่าขาดสติทำให้ขึ้นขนองคือประมาทใด้ชีวิตนั้นสติจึงเป็นเรื่องคัญเราก็ต้อง หมันมาถ่าฟ้ารู้สึกตัวเจอสติเพราะสติคือเพื่อนแท้สามารถนํากุศลต่างๆมาหาเราได้แต่เราไม่มีสติเนี่ยเราก็จะเป็นคนที่ตามใจกิเลสคิดเัาเองคําว่าคิดเัาเองเนี่ยสามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้นะบางครั้งเนี่ยเราเข้าใจคน อ, อื่นผิดเพราะเราคิดเัาเองว่าเขาเราไปอย่างนี้อย่างนี้อย่างนู้นอย่างนี้ที่จริงมันไม่ใช่หรอกแม้แต่ตัวเราเองเนี่ยเราอยเข้าใจตัวเราเองยากเลยแล้วเราจะไปเข้าใจคน อ, อื่นได้ยังไง แล้ตัวอรหมามีประสบการณ์โดยตรงเลยบางครั้งเราก็ไม่ชอบหน้าคนนี้นะเอ๊ะรู้สึกคนนี้ทำไมคิดทาอย่างนี้มีการกระทําอย่างนี้อ่ะพอคนนี้ไม่อยู่จิตเราก็ไปคิดถึงคนอื่นอีกว่าทำไมต้องไปอย่างนี้อย่างนี้คือความที่ตัวนี้มันจะอยู่กับเราไอ้ตัวคนตัวคนอื่นนะคือตัวัวกแสดงเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เปลี่ยนหน้าเดี๋ยวก็มาแล้วก็ไปบางคนตายไปก็มีถ้าเป็นพาดบนงทีสึกไปก็มีย้ายวัดไปก็มีแต่ตัวนี้ยังอยู่กับเราตลอด ไอตัวคิดตัวเองเนี่ยดูคิดตัวเองว่าคนน้นถ้าเป็นอย่างนี้คนนี้ไม่ดีที่จริงเราไม่สามารถแก้ไขคนอื่นได้นะเราไม่สามารถแก้ไขคนนี้ต้องพูดจาเพราะๆคนนี้ต้องไม่เจ้าอารมณ์คนนี้ต้องไม่ดินทาคนคนนี้ต้องใจดีต่างๆเนี่ยเราทำไม่ได้หรอกแต่เราแก้ไขตัวเราได้คนอื่นเนยเราแก้ไม่ได้ถ้าเราคิดแก้คนอื่นเล ย, ยทุกวันทีเลยเพราะแต่ละคนก็มีกิเลส สั่งสมไม่เหมือนกันถ้าเรารู้ว่าคนนี้เป็นอย่างนี้เรายอมรับได้ก็กไม่มีปัญหาอย่างเร า, เ, าเจอแม่ชีคนนี้ปากร้ายเราฟังแล้วเราก็เรา ก, ก็ไม่โกรธไม่ไปโต้ตอบบางทีเราก็เจอแม่ชีใจดีเจอพระใจดีบางทีเราก็เจอพระเจ้าลมขี้หุนหงิดเพราะแต่ละคนจะมีนิสัยแตกต่างกันบางคนก็พูดจามีสัมมาคาระวะนอบน้อมบางคนก็เก้าลาว เพราะเขสั่งสมนิสัยไม่เหมือนกันเราจะให้เขาเป็นแรงใจเราไม่ได้เลยสิ่งเราทําได้คือดูใจตัวเองสิ่งแวดล้อมต่างๆไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมาอยู่กับเราว่าเราเนี่ยจะทําไงกับสิ่งนั้นมีปฏิกิริยาอย่างไรแต่ถ้าเราไม่เข้าใจาตรงนี้เราก็จะทุกข์กับสิ่งแวดล้อมต่างๆเดี๋ยวแดดร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแรง เดี๋ยวยุงกัดมดขึ้นอะไรแย่ยหมดเพราะว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยเรากำหนดไม่ได้สิ่งที่ทำได้คือทําใจตัวเองไม่ให้ทุกข์กับสิ่งแวดล้อมจะใช้ชีวิตยังไงไม่บีดเป็นตนเองไม่บิดเป็นคนอื่นแต่บางคนแล้แขรคนอื่นนะว่าเขาจะคิดเกี่ยวับเราอย่างไงจนไม่เป็นตัวของตัวเองก็ทําให้ทุกข์ก็มีอย่างยุคนี้ประยุกของโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือ Facebook บางคนขี้เหงามีอะไรก็จะลงแต่ละวันน่ลงทั้งวันแล้วบางคนเรื่องนู้เรื่องนี้เวลาแฟนทำให้โกรธก็ลงไปเที่ยวไหนก็ลงหรือโพส อ, อะไรสักอย่างเนี่ยถ้าเพื่อนไม่มากดไลค์ก็ทุกข์ละแต่เพื่อนมากดไลค์เยอะๆก็มีความสุขแต่บางทีเพื่อนมาคอมเมนต์ไม่เห็นด้วยหรือขัดแยง้งก็เก็บบาคคี้ทุกข์อีก เพรสิต่างๆเนี่ยไม่ปเป็นดังใจเราโลกธรรมมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุก์มีสารเสริอมมีอินทาเนี่ยเราทุกคนต้องเผชิญไม่มีใครหลีกหนีพ้นเราเรียกร้องอยากหวังอะไรจากคนอื่นเนี่ยบางครั้งก็ไม่ได้เป็นไปดังใจเราหวังเราพึ่งตัวเองกันไประดับอันดับแรกที่เราทุกส่วนมากเน่ยเกิดจากการเปรียบเทียบเห็นคนอื่นเขามีของมากกว่าเราเราก็อยากมีมั่งเห็ยคนอื่นมีรถหรู ยี่ห้อแพงๆดีๆบางครังรถเรากเก่าโทมๆเราไม่มีเราก็ทุกเห็นบงคนมีบ้านสวยบ้านเราเก่าหลังเล็กกว่าเราก็ทุกหรือบางคนมีแฟนหล่อแฟนสวยแฟนแล้วขี้เหย่างเลยเราก็ทุกอีกคือบางครังเราทุกเพราะเราไม่ยินดีพอใจสิ่งที่เรามีอยู่อย่างเมื่อไม่นานอามาก็ไปงานศพงานเผาศีลละของ หลวงพ่อสงครามที่จังหวัดมหาสารคามหลวงพ่อสงครามสมัยที่ท่านมีชีวิตอยู่เนะี่ยท่านจะเป็นคนที่ตั้งใจสอนลูกศิษย์มากอยากให้ลูกศิษย์บรรลุธรรมแต่วิธีการสองท่านเนี่ยอาจจะตึงไปหน่อยลูกศิษย์เลยหนีหมดเลยท่านจึงเป็นครูบาอาจารย์ที่อาภัพลูกศิษย์คือไม่มีขยะให้ท่านสอนแต่ท่านก็อยากสอนนะไปไหนเดินทางไปใกล้ไกลท่านไปหมดอนะ่ะเพื่อสอน ญาตโยมสอนพระอยากให้เห็นธรรมมีจิตเมตตาแต่ก็หาคนเรียนกับท่านยากงานศพงานโปรเซลร์ของท่านเนี่ยเป็นงานใหญ่มากมีมีครูบาอาจารย์ต่างๆมาร่วมกันมากมายมีพระมีญาติโยมแน่นในหมดอ่ะแต่จะมีประโยชน์อะไรในเมื่อขณะที่ตอนตอนท่านมีชีวิตอยู่เนี่ยท่านอาภัพลูกศิษย์แต่คนจะมางานศพท่านมากมายก็เหมือนกับพ่อแม่ ขณะตอนมีชีวิตยอยู่เดี๋ยว ล, ลูกไม่เข้ามาเยี่ยมแต่ว่าจะมาตอนที่ท่านเสียแล้วพี่น้องพอ ม, มาเพราะมันพร้อมหน้าเลยอันนั้นประโยชน์น้อยละเพราะสังคมทั่วไปจะเป็นแบบนี้จริงๆ จ, จะมาหาก็ตอนเมื่อตายแล้วอันนี้ประโยชน์ไม่ค่อยมีแล้วล่ะอันมาก็พบพบปะผู้คนมากมายที่รู้จักนะในงานศพด้วยแหละคนที่เราไม่เห็นหน้านานๆาาก็มาเจอกันทักทายกัน แต่โดยัวปกติแล้วก็ไม่ได้เจอกันหรอกหลายปียิงเจอกันทีงแล้วเมื่อไม่นานก็ไปงานงานปงศีระของหลวงพ่อมหาบัวทองก็เหมือนกันเลยเจอเพื่อนฝูงมากมายมาร่วมงานพบปะคุยกันโดยปกติก็ไม่ค่อยเจอกันหรอกอย่างครูบาอาจารย์ตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยก็แตกดังอยู่แต่ช่วงที่ทาราสังขารไปแล้วตอนเผาเนี่ยจะมากันมาก พ่อแม่ก็เหมือนกันนะขนาดที่ท่านมีชีวิตอยู่เนี่ยเราก็ไม่มาเยี่ยมท่านไม่มาทําให้ท่านมีความสุขพอตายแล้วเราก็มาทําบุญให้แผ่มเมตตาให้ประโยชน์ไม่ค่อยมีในประโยชน์น้อยการคิดดีก็คือคิดในสิ่งที่เป็นกุศลคิดเรื่องการทําบุญทําทานการทําความดีต่างๆการปฏิบัติธรรม จเจริญสติสร้างความรู้สึกตัวอันนี้อันนี้คือการคิดดีพูดดีก็พูดในเรื่องที่ดีๆพูดแล้วทําให้คนฟังมีความสุขไปพูดถจาทําร้ายน้ําใจผู้อื่นพูดเรื่องที่ทําให้ใจให้คนท้อแท้ชีวิต เ, เกิดกําลังใจสู้ชีวิตผู้ชักชักจูงให้ทําความดีให้ออกจากทุกข์ได้นี่คือการพูดดีทําดีก็คือการ ปฏิบัติธรรมหรือช่วยทํางานส่วนรวมทําประโยชน์ตนประโยชน์ท่านทําให้สังคมได้รับความสุขการทำความดีมีมากมายจนันมาไม่จะพูดเรื่องอะไรดีเพราะว่ามันมากเกินไปคบคนดีคบคนดีนี่ก็สําคัญมากเลยแหละคบคนชั่วเป็นมิตรบางคนก็โดนลูกหลงก็มีอย่างบางคนไปคบคนที่ขายยาเวลาศัตรูเข้ามายิง ก็โดนโดนลุกหลงไปด้วยก็มีหรือโดนตำรวจจับอันคบคนก็ต้องระวังหน่อยคบคนไม่ดีก็พาไปสู่ที่ไม่ดีแหละคบคนดีก็พาไปให้เจริญมีความรุ่งเรืองต่างๆสู่สถานที่ดีสถานที่ดีในที่ดีก็อาจจะหมายถึงวัดก็ได้หมายถึงวัดสถานที่ปฏิบัติธรรมสถานที่ที่มีปา่าบิบบัณฑิตอยู่ที่ไม่มีคนผ่าน สถานที่ไม่ดีก็คือคือคุกสถานที่แบบเป็นแหล่งมั่วสุมของมายมุกลงเล่าอาบุบนวดซ่องบ่อนที่ไหนที่มีคนพาลอยู่มากๆนะคือสถานที่ไม่ดีนั้นเราก็ต้องหลีกหนีแม้แต่วัดสมัยที่ต้องเลือกเลยเพราะถ้าเราเลือกวัดผิดเนี่ยเราก็ไปอยู่ในหมู่คนพาลก็พาเราไปหลงทิศหลงทางได้คือสอนให้งมงาย ถ้าเรามาถูกวัดเราก็สอนให้เราเนี่ยรู้จักตัวเองเป็นคนดีสามารถออกจากจากทุกได้สงการเป็นวันมงคลบางคนก็อาจจะเป็นวันเอาว่มงคลก็ได้ไม่มีสงการปีน่ายอีกต่อไปเพราะสมัยนี้ประเพณีเนี่ยมันก็บิดเบือนจากเดิมเมื่อก่อนประเพณีไทยสมัยนี้คนเล่นสงการไปตามกิเลส เมาเหล้าบางทีกน็น้ำแข็งไปสาดกันหรือไม่ก็ไปแตะอ่างผู้หญิงไม่เหมือนเดิมแล้วสมัยก่อนแต่งตัวเรียบร้อยเป็นวัฒนธรรมประเทศไทยทำให้พ่อแม่ลูกญาติพี่น้องได้มาหาการได้มาขอเข้ามาครูบาอาจารย์เพราะเราอยู่ด้วยกันนะอาจจะล่วงเกินซึ่งกันและกันได้เราก็สาบานอยู่ด้วยกันแบบผาสุกอันนี้เป็นมงคลไปสงการที่มีประโยชน์อันมาพูดมาก็เห็นว่าสมควรกกับเวลา ก็ขออนโมโนาบุญกับทุกท่านจงมีความสุขความเจริญธรรมยิ่งขึ้นไปขอจบเพียงเท่านี้